จเจออริญพนทุกๆ ท, ท่านขอโอกาสเรื่องสหันมิตรเรื่องการทำงานอย่างมีความสุขนะก็น่าสนใจนะหลวงพ่อขอปรับหัวข้อหน่อยทำไงเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่ทำงานที่เดียวหรอกถ้าพวกเราเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็ทำงานอย่างมีความสุขอยู่บ้านเราก็อยู่อย่างมีความสุขอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้ ถ้าเรามาลองมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไอ้เรื่องการทํางานอย่างมีความสุขเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายๆเลยไม่ได้ยากอะไรหรอกนี่พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไว้นะบอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนําความสุขมาให้ถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจของเราจิตก็จะลากเราลงที่ต่ําไปเรื่อยอํานาจของกิเลสเนี่ยพาเราไปหาความสุขไม่ได้ อยู่ที่ทำงานก็ไม่มีความสุขมีแต่กิเลสอยู่บ้านก็ไม่มีความสุขแล้วมันมีแต่กิเลสอยู่บนถนนก็มีแต่กิเลสอีกรวมความแล้วหาความสุขไม่ได้สักทีอยู่โรงพยาบาลเห็นคนไข้ก็กลุ่มใจคนไข้เยอะอะไรเนี้ยนะเห็นคนไข้บางคนก็เอาแต่ใจมีไหมคนไข้เอาแต่ใจมีใช่ไหมเนี่ยหลวงพ่อไปเทศตามโรงพยาบาลแล้วบางทีคนไข้ก็บอกว่าหมอเอาแต่ใจ <laughs> พยาบาลเอาแต่ใจ ก็ต่างคนต่างเอาแต่ใจเนาะนี่ทำไงเราจะมาฝึกจิตฝึกใจของเราพวกเรามีบุญมีวาสนามากนะเราเกิดมาในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่ไม่มีคำสอนใดนะที่จะเทียบเท่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยในเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจของเราเองการฝึกจิตฝึกใจนั้นมันมีสองขั้นตอนสองแบบอันแรกเลยเป็นการฝึกให้จิตมีความสุขมีความสงบ นี่ว่าการฝึกสมถะกรรมฐานอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นของอัศจา ร, รย์เป็นคำสอนเฉพาะของพระพุทธเจ้านะคือการฝึกจิตฝึกใจให้เกิดปัญญานะให้มีความฉลาดรอบรู้เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราคือกายกับใจนี้พูดภาษาแขกบรูปกระนนะขันห้า ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราได้นะมันจะรู้เลยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราในความเป็นจริงแล้วเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายร่างกายเป็นทุกข์จิตใจก็เป็นทุกข์ตนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ร่างกายเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้จิตใจก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จริงสั่งให้ดีมันก็ไม่ยอมดี ห้ามชั่วมันก็จะชั่วสั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมสุกห้ามทุกขมันก็จะทุกข์เราบังคับมันไม่ได้เนี่ยการที่เรามาเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าการฝึกจิตฝึกใจให้เกิดปัญญาหรือวิปัสสนากรรมฐานนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากคําสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องการฝึกจิตฝึกใจให้มันมีความสุขเนี่ยก็เลยมี2เรื่องนี้แหละได้ก็เรื่องของการฝึกจิตใจให้สงบถ้าจิตเราสงบนะจิตก็มีความสุข อันที่สองเนี่ยถ้าจิตเราเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้มันจะหมดความยึดถือในกายในใจถ้ามันไม่ยึดถือในกายในใจเมืนะ่อไหร่นะจะพบความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยเป็นความสุขที่พิเศษที่สุดนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระนิพพานเป็นบรมสุขพระนิพพานเป็นสภาวะที่มีจริงๆถ้าเราได้เจริญปัญญาให้แก่รอบถ้าเราทําแต่สมาธิทําแต่ความสงบไม่มีวันเห็นพระนิพพาน ทำความสงบพอสมควรแล้วต้องมาหัดเจริญปัญญาให้ได้นั่นเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้มี2เรื่องเองทำยังไงจิตใจจะสงบทํายังไงจิตใจจะเกิดปัญญาถ้าจิตใจเราสงบนะมาทํางานมันก็มีความสุขโรงพยาบาลจะมีงานมากแค่ไหนนะแต่ใจเราสงบเราก็มีความสุขนะหรือถ้าเรามีปัญญาอย่างแท้จริงอยู่ตรงไหนมีความสุขตรงนั้นเลยความสุขที่เที่ยวแสวงหามาตลอดชีวิตนะหาอย่างไงก็ไม่เจอ ความสุขเหมือนนจะมีนะแล้วก็หลุดมือหายไปทุกทีแต่ถ้าเรามาเจริญปัญญาจริงๆนตื่นอยู่ก็เป็นสุขหลับอยู่ก็เป็นสุขนะยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขจิตใจมีแต่ความสุขมีความสงบมีแต่ความเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างนะสบาย <S <S อันแรกเลยคือการฝึกจิตให้สงบพิธีการที่จะฝึกจิตให้สงบเนี่ยพวกเราอาจจะเคยเรียนมาเยอะแล้ว บางทีครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็บอกให้พุทโธพุทโธไปให้จิตอยู่กับพุทโธเดี๋ยวก็สงบเองบางคนบางท่านก็สอนให้เรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าหายใจก็มีความสุขนะจิตใจอยู่กับลมหายใจมีความสุขบางท่านก็สอนดูท้องฟองยุบจิตอยู่กับท้องไม่หนีไปที่อื่นเลยจิตก็มีความสุขบางท่านสอนให้เราเดินจงกรมเดินไปนะฝึกให้จิตใจสงบ มีความสุขได้สิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่หลากหลายนะมันเป็นเรื่องของวิธีการวิธีการปฏิบัติเท่านั้นเองแต่แก่นสารสาระแท้ๆเลยว่าจิตใจแบบไหนเนี่ยถึงจะฝึกให้เกิดความสงบสุขได้จริงวันนี้หลวงพ่อจะมาพูดถึงแก่นของการปฏิบัตินะจะไม่ได้พูดเรื่องเปลือกหรือรูปแบบของการปฏิบัติรูปแบบนั้นพวกเราไปหาเอาเอง เราถนัดพุดโทโธเราใช้พุโทโธเราถนัดรู้ลมหายใจเราก็ไปรู้ลมหายใจถนัดดูท้องพองยุบไปดูท้องพองยุบขยับทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนไ ม, ไม่ทําจังหวะถนัดเดินจงกรมก็ไปเดินจงกรมอะไรก็ได้รูปแบบนั้นแต่ละคนต้องดูเอาเองว่าเราเหมาะกับอะไรไม่ต้องเรียนแบบกันกรรมาฐานนี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องการฝึกตัวเราเองเพราะงั้นไม่ต้องไปเรียนแบบคนอื่น คนอื่นเขาพุโทโธแล้วเขาประสบความสําเร็จจิตใจเขาสงบจิตใจเขามีความสุขไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องพุโทโธคนอื่นเขาดูท้องฟองยุบแล้วมีความสุขสงบไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปดูฟองยุบแล้วจะสุขจะสงบเหมือนเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันแต่หลักของการปฏิบัตินั้นเป็นอันเดียวกันล้วนๆเลยทําไมขั้นแรกต้องตั้งคําถามก่อนว่าทําไมจิตใจเราไม่สงบสุขทําไมจิตใจเราถึงไม่มีความสงบ ถ้จิตใจของเราเนี่ยวิ่งพลา่านตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี ism, ๋ยววิ่งไปดมกลิ่นเดี๋ยววิ่งไปลิ้มรสเดี๋ยววิ่งไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยววิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจทําไมจิตต้องวิ่งพล่านตลอดเวลาจิตวิ่งหาความสุขมันวิ่งไปดูมันคิดว่าจะมีความสุขแต่มันก็ไม่มีจริงอย่างวิ่งไปดูหนังเวลาไปดูหนังคิดไม่ว่าจะมีความทุกข<ใช Sie>นะ์เราเปิดโทรทัศน์ดูหรือดูวีดีโอ ดูเพื่อจะให้มีความสุขใช่ไหมมีไหมดูเพื่อจะให้เกิดความทุกข์ใน้โควิปราดเราต้องปรึกษาหมอแล้วจริงเราวิ่งหาความสุขเราวิ่งไปดูก็เพื่อหาความสุขวิ่งไปฟังก็เพื่อหาความสุขนะอยากไปฟังคนเขาด่าเราไหมอยากฟังคนชมไหมเห็นไหมเราอยากได้ความสุขนั่นเองถ้าคนด่าไม่มีความสุขไม่อยากฟังเราอยากได้ฟังเสียงเพราะๆไหมหรือเสียงหมาเห่าตอนเรานอน อยากได้ฟังไม่ไม่ได้อยากฟังใช่นั้นที่เราวิ่งไปฟังนะก็เพื่อหาความสุขวิ่งไปดูก็เพื่อหาความสุขวิ่งไปกินของอร่อยก็เพื่อหาความสุขมีไหมไปกินของอร่อยเพื่อหวังว่ามันจะทุกข์ไม่มีหรอกในความเป็นจริงแล้วนี่เราสแสวงหาความสุขอยู่ตลอดเวลานะจิตเราถึงวิ่งพลานไปทางตาวิ่งพลานไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไปดมของหอมหอมเห็นดอกไม้สวยๆไปดมนะ อยากมีความสุขใช่ไหมงั้นจริงๆแล้วต้องการความสุขอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทําก็นั่งคิดคนอายุเยอะหน่อยอย่างหลวงพ่อนะวัยขนาดกเกษียณขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คิดถึงอดีตอนาคตเหลือสั้นแล้วคิดถึงแล้วใจหายให้คิดถึงอดีตคนแก่ก็คิดถึงอดีตเด็กก็คิดถึงอนาคตอะไรเนี้ยนะคิดไปอดีตว่ามีความสุขเด็กฝันถึงอนาคตแล้วก็มีความสุข นึกออกหรื อ, อยังว่าที่เราวิ่งพล่านไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจนะั้นวิ่งหาความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วความสุขมันสั้นนิดเดียวเราวิ่งไปดูหนังนึกว่าจะมีความสุขนะก็มีความสุขไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวต้องวิ่งไปฟังเพลงต่อนะฟังเพลงแล้วก็มีความสุขนิดหน่อยแล้วก็หายไปอีกแล้วต้องไปหาข้าวกินแล้วชักหิวแล้วเงี้ยเราวิ่งหาความสุขทั้งวันวิ่งหาความสุขทั้งคืนกระทั่งนอนหลับนะ ร่างกายเราก็พลิกซ้ายพลิกขวาทั้งคืนเลยคืนหนึงนอนพลิกไปพลิกมาเนี่ยสามสครั้งพลิกพลิกตัวเพราะมันทุกข์นะร่างกายมันเมื่อยก็พลิกตัวหาความสุขเนั้นเราดิ้นหาความสุขทั้งวันดิ้นหาความสุขทั้งคืนจิตของเราเนี่ยวิ่งพล่านไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจการที่จิตเที่ยววิ่งหาความสุขแล้วก็วิ่งพล่านไปทางสวรรค์ทั้ง6เนี่ยแหละจิตฟุง้งซ่านจิตไม่มีสมาธิ จิตไม่สงบจิตไม่สบายจิตหิวโหยตลอดเวลางั้นถ้าเรารู้หลักอันนี้แล้วว่าจริงๆแล้วจิตต้องการความสุขเราหาความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตเรามาสังเกตตัวเองคนไหนถ้าพุทโธแล้วมีความสุขนะเราก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธจิตใจมีความสุขจิตไม่หนีไปที่อื่นคนไหนดูท้องพองยุบแล้วจิตมีความสุขเราก็ดูท้องพองยุบไปจิตมีความสุขมันพอใจที่จะดูท้องพองยุบมันก็ไม่หนีไปที่อื่น คนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขนะก็มาเดินจงกรมนะงั้นเรามาเลือกดูว่าตัวเราเองอ่ะปฏิบัติกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขก็เอากรรมฐานานั้นเป็นเหยื่อล่อจิตจิตนี้เหมือนเด็กซุกซนวิ่งหนีออกจากบ้านตลอดเวลานะบ้านนี้มีทั้งหประตูนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตนี้หนีเที่ยวตลอดเวลาเหมือนเด็กอยากไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลินนะเราต้องการให้เด็ก ไม่สนนะอยากให้เด็กอยู่กับบ้านเด็กไม่ซุกซนไม่หนีไปไหนแล้วหาของที่เด็กชอบมาล่อเด็กนะหาเด็กคนนี้มันชอบกินไอติมนะเรียกมันมานั่งกินไอติมมันสบายใจกินไอติมแล้วก็อยู่กับบ้านไม่หนีไปไหนนละ้วมีความสุขเดี๋ยวมันก็หลับไปสงบนะคนนี้ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนให้มันอ่านคนนี้ชอบเล่นเกมให้มันเล่นเกมอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้ฟังนะเว่าจิตเรามันเหมือนเด็กที่ต้องการความสุขถ้าเรารู้จักหาอารมณ์ ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตจะได้ไม่วิ่งพลานไปทางทวารทาั้ง6จิตได้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กเกนี่ยหลวงพ่อชอบหายใจฝึกอนัปปานสติฝึกกระทางท่านพ่อรีวัตสุครามท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1 ห, หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2ตงตอนเด็กๆมีนับด้วยหายใจไปแล้วก็นับไปด้วยนะถึง10ท่านสอนให้ถึง10แล้วก็นับมา9ก้าแเเหมือนปล่อยจรวด เรายังเด็กเล็กนับถอยหลังไม่ไม่ถนัดเลยนับแล้วอึดัดหลวงพ่อนับรวดไปเลยนะนับไปถึงรนะ้อยน่อแล้วค่อยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่การที่เราจิตใจมันมีความสุขหายใจไปแล้วก็มีความสุขไปจิตมันสงบเคล็ดลับของการทําความสงบนะให้จิตมีความสงบมีความสุขขึ้นมาเนี่ยง่ายนิดเดียวต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่ว่าจิตไปอยู่แล้วพอใจจิตไปอยู่แล้วมีความสุข ต้องดูตัวเราเองไม่ใช่ไปดูอาจารย์นะอย่างหลวงพ่อฝึกอานาปนาสติทําสมถะด้วยอนาปนาสติพวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อไม่จําเป็นต้องทําอานาปนาสติทางใครทางมันแต่หลักนั้นเป็นอันเดียวกันก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะงั้นเราสังเกตตัวเองถ้าพุโทโธแล้วมีความสุขเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปนะถ้าหายใจแล้วมีความสุขเ ร, รนะ า, า, าก็รู้ลมหายใจไป จิตมันจะไม่พลานไปทางทวารทั้ง6มันจะแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่คือหลักของการทําสมถกรรมฐานนะวิธีการรูปแบบอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่เหมือนกันสักลายหนึ่งแต่ว่าวิธีที่จิตจะสงบเนี่ยใช้หลักอันเดียวกันในทางอภิธรรมถึงสอนบอกว่าสมาธิเนี่ยมันเกิดจากอะไรความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นเราก็ต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแต่ก็มีเงื่อนไขนะอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลส ถ้าด่าคนอื่นเรามีความสุขนะเราไปด่าทั้งวันเลยบอกมีความสุขนะไม่สงบหรอนั้นจะสลบซะมากกว่าเนีเดี๋ยวเขาทนไม่ไหวเขาซัดหรอหรือไปตกปลาแล้วมีความสุขตกปลามีความสุขมันเบียดเบียนสัตว์นะพอปลาไม่มากินเหยื่อก็โมโหนะพอปลามากินเหยื่อก็ดีใจเดี๋ยวก็โทสะเกิดเดี๋ยวก็ราคะเกิดนะจิตแกว่งไปแกว่งมาไม่ดีเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะ เล่นไพ่แล้วมีความสุขจิตก็ไม่เป็นสมาธินะมันมีสมาธิมันออกนอกนะตำรวจมามยังไม่รู้เลยเพราะแน่วแน่นะมีความสงบจริงแน่วแน่อยู่ในการเล่นไพ่แต่จิตไม่สบายจริงนะจิตใจไม่สบายจิตจเต็มไปด้วยความโลภหรยวอยากได้พอถูกเขากินก็โกรธนะคนไทยเนี่ยขึ้นชื่อหรือชาเลยนะหลวงพ่อไปที่อเมริกาเขาบอกคนไทยชอบเล่นการพนันมันจะเสียหายมากเลยเขาพูดความจริง นี่เรารู้จักเลือกนะเลือกอารมณ์อยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอย่างพุโทโธนี่ไม่ยั่วกิเลสใช่ไหมรู้ลมหายใจไม่ยั่วกิเลสอะไรก็ได้ฝึกไปอย่างถ้าเรารู้ลมหายใจนะรู้สบายสบายอยากอยากให้จิตสงบถ้าอยากให้จิตสงบนะจิตที่มีความอยากจะไม่มีความสุขเลยต้องหายใจเล่นเล่นต้องทำเล่นๆ่นนะถึงจะสงบหายใจอย่างมีความสุขหายใจสบาย หายใจทีแรกลมมันจะยาวลึกหายใจลึกมันลึกเองอะนะพอใจเริ่มสงบเนี้ยลมจะสั้นลมจะค่อยตื้นตื้นตื้นมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกเนี้ลมเหมือนกับมันหยุดหายใจนะจริงจริงมันก็หายใจแผ่วแผวมาหยุดที่ปลายจมูกมันจะแปลสภาพกลายเป็นแสงสว่างตรงที่เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเรียกว่าบริกรรมนิมิตตรงที่ลมหายใจเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแสงสว่าง เรียกว่าอุขะหานิมิตแล้วแสงสว่างเนี่ยถ้าเราเล่นจนชินนะจะใหญ่ได้เล็กได้นะเรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าเราได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ยเราได้สมาธิที่เรียกว่าอุปจาระสมาธิล้เฉียดเฉียดชานแลงนั้นที่คุยๆกันว่าได้อุปจาระได้อัปนานไม่จริงหรอกส่วนใหญ่ไม่ใช่ของจริงหรอกดังนันสมาธิาฝึกให้เต็มภูม่มนะเพืเข้าถึงอัปนานสมาธิอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายๆ กระทั่งในสมัยพุทธกาลพระอราหันต์ส่วนน้อยหรอกที่ทรงฌานนอกนั้นก็เป็นคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยชี้แจงให้พระฟั ง, งในบรรดาพระอราหันต์หรอองค์มีพระอราหันต์ที่ได้วิชาสามเนี่ย60องค์วิชาสามคือระลึกชาติได้รู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้ีสามข้อมี60องค์คนที่ได้วิชาสามต้องมีฌานสมาธิแก่กล้า อีกหกสิบได้อภิญญาหกแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพมีตาทิพอย่างรู้วาระจิตผู้อื่นได้และพวกนี้นล้างกิเลสได้พวกนี้ก็มี60องค์จาก500ร้แล้วก็พระอรหันต์ที่เป็นอุปโตภาควิมุติคือได้อรูปประชานได้อรูปประชานด้วยแล้วเป็นพระอรหันต์ด้วยมีอีกหกสิบอรวมแล้ว60สิบบวกหกบวกหได้เท่าไหร่ร้อยแปดสอร์เ็กระทั่งสมัยพุทธกาลนะ พระอหันต์ที่มีฤทธิ์มีฌานไว้พวกนี้สาเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละพวกเข้าฌานไม่เป็นนี่ทำยังไงถ้าเราทำสมาธิลึกๆไม่เป็นนะเราก็ทำนิดๆหน่อยๆพอให้ใจสบายงานหลักจริงๆคือการเจริญปัญญานะเราต้องรู้นะว่าการฝึกจิตฝึกใจการที่จะปฏิบัติทางจิตใจที่ว่ามี2 ง, งานนะงานอันที่1ทําความสงบจิตงานอันที่สอง สร้างความรู้ความฉลาดให้จิตคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นเป็นงานหลักการทำความสงบจิตเป็นงานสนับสนุนงานหลักกับงานสนับสนุนถ้าทำแต่งานสนับสนุนไม่ทำงานหลักเลยนะก็ไม่ไหวอย่างโรงพยาบาลใช่ไหมมีฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลเป็นงานสนับสนุนแล้วนะโรงพยาบาลนี้มีแต่ฝ่ายบุคคลนะไม่มีหมอไม่มีพยาบาลโรงพยาบาลนี้อยู่ไม่ไหวใช่ไหม มีแต่หมอมีแต่พยาบาลไม่มีฝ่ายบุคคลไม่มีธุรการไม่มีอะไรก็ทํางานยากทํางานไม่ได้จริงแต่เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นงานหลักอะไรเป็นงานสนับสนุนสมถกรรมฐานการทําความสงบจิตเป็นการสนับสนุนให้จิตมีเรี่ยวมีแรงเมื่อจิตมีเรี่ยวมีแรงพอสมควรแล้วต้องเจริญปัญญาถ้าไม่เจริญปัญญาเราจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกเราจะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาลําพังการนั่งสมาธิให้จิตสงบนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้า นพระพุทธเจ้านี่แหละค้นพบหลักของวิปัสสนากรรมฐานคือการเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้นะว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการทําทานรักษาศีนั่งสมาธิแต่การทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธินั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานในการปรับจิตปรับใจของเรานะเพื่อกูลต่อการเจริญปัญญาถ้าจิตฟุ้งซ่านเจริญปัญญายากวอกแวกวอกแวกไปนิด เรามาให้ความสนใจกับการเจริญปัญญานะถ้าพวกเราทําฌานไม่เป็นเราก็ทําความสงบนิดหน่อยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอจิตใจสบายแล้วเรามาเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจท่านแยกอารมณ์กรรมาฐานไว้รูปกระนำรูปธรรมำกระนำธระท ำ, ามมาทำถ้าคนไหนถนัดใครเคยได้ยินคําว่าสติปัฏฐาน4ี่ไหม การรู้กายใช่ไหมกายานุปัสสนาการตามรู้กายเนืองเนืองเวทนานุปัสสนาการตามรู้เวทนาเนืองเนืองจิตตานุปัสสนาการตามรู้จิตเนืองเนืองธรรมานุปัสสนาการตามรู้ธรรมเนืองเนืองคำว่าธรรมะก็คือทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนั่นแหละการตามรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเจริญสติปัฏฐานอยู่นะโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต งั้นถ้าเราเดินอยู่ในหลักของการเจริญสติปัฏฐานอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะได้มรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติเจริญปัญญาเลยนะไม่มีทางหรอกการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันมีแค่เจริญสติก็มีนะเจริญสติและปัญญาก็มีนะเราค่อยๆฝึกนีการที่จ ะ, ด, กกะดูกายและเวทนาเนี่ยท่านสอนว่าการดูกายและเวทนานะเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนเข้าสมาธิ เข้าสมาธิซะก่อนทำฌานซะก่อนจิตเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถอยจิตออกมาจากฌานเมื่อจิตถอยออกจากฌานแล้วมาดูกายมันจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรามาดูเวทนามันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานะนนการดูกายและเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยเหมาะกับคนเข้าสมาธิเก่งๆแต่ถ้าเราเข้าสมาธิไม่เก่งนะกรรมาฐานที่เหมาะกับคนที่เข้าสมาธิลึกๆไม่เป็น คือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนามีอย่างละสองนะถ้าพวกเข้าสมาธิได้เนี่ยควรดูกายมาดูจิตไม่ดีเพราะว่าจิตจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูเลยนะแต่กายนี่มีให้ดูแต่ถ้าเข้าสมาธิไม่เป็นจิตใจวอกแวกชิตใจวอกแวกเนี่ยมองอาการดูจิตเพราะจิตจะมีแสดงใจรักตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตพวกเราเป็นอย่างนี้ไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเรียกว่าคุมดีคุมร้ายใช่ไหม พเราเอามีจิตคุ้มดีคุ้มร้ายยอมรับสภาพความจริงซะนะส่วนมากเรามีจิตคุ้มดีคุ้มร้ายว่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันหมุนอยู่อย่างนี้วิธีการที่เราจะมาฝึกครับนหะลวงพ่อเลยทุกวันเนี่ยหลวงพ่อมุ่งมาที่ฝึกให้รู้ทันจิตใจของตนเองเพราะมันเหมาะกับคนรุ่นพวกเรานะคนรุ่นครูบาจารย์เนี่ยท่านเป็นชาวไร่ชาวนานะวันวันท่านไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งจิตใจท่านอะ่ะมีลมพัดใบไม้ไหวอะไรอย่างเนี้ย เห็นนกเห็นน้ําไหลเห็นอะไรนะจิตใจท่านสงบง่ายแล้วท่านทํางานเหน็ดเหนื่อยท่านต้องการความสุขความสงบในชีวิตท่านนั่งสมาธินะแป๊เดียวท่านก็สงบละมาถึงรุ่นพวกเราเนี่ยวอกแวกจะตายไปเดี๋ยวก็เปิดโทรทัศน์ก็วอกแวกแล้วใช่ไหมเปิดหนังสือพิมพ์ก็วอกแวกแล้วเปิดอินเทอร์เน็ตก็วอกแวกแล้วโทรศัพท์มือถือเข้ามาก็วอกแวกละมีแต่เรื่องที่จิตใจฟุ้งซ่าน โอกาสที่จะทําความสงบก่อนแล้วมาเจริญปัญญาทีหลังเนี่ยยากเหลือเกินเพราะมันไม่ยอมสงบสักทีการปฏิบัตินั้นมีหลายแบบนะไม่ใช่ว่าต้องนั่งสมาธิก่อนแล้วเจริญปัญญาการปฏิบัตินั้นมีทั้ง3แบบแบบที่1ทําสมาธิก่อนแล้วเจริญปัญญาทีหลังแบบที่2เจริญปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิเกิดขึ้นทีหลังแบบที่สเจริญสมาธิและปัญญาควบกันแบบที่3เนี่ยจะทําได้ จะต้องมีคุณสมบัติ2ประการอันแรกชํานาญในการเข้าสมาธิอันที่2ชํานาญในการดูจิตไปชํนานาญในการดูกายเนี่ยจะไปเจริญสมาธิปัญญาควบกันไม่ได้นะันจะเป็นต้องไปดูจิตเพราะในองค์ชานเนี่ยเราจะไปดูความเกิดดับขององค์ชานะนี่พวกเราจะไปเข้าฌานถ้าเข้าฌานไม่ได้เนี่ยมั น, มนคล้ายๆมันตัดไป2งานและจะใช้สมาธินําปัญญาชาตินี้ไม่ได้สมาธิทั้งทีปัญญาก็เลยไม่มีสักครั้งหนึ่งนะ จะไปหวังทำสมาธิกับปัญญาควบกันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยสมาธิก็ไม่มีแล้วจะไปเจริญปัญญาในฌานเป็นไปไม่ได้เลยเราแทบจะไม่มีทางเลือกละนะเราก็ต้องเจริญสติอยู่ดังนี้แหละเจริญสติจเจริญปัญญาไปแล้วจิตจะเกิดความสุขความสงบขึ้นเองนะความสุขความสงบจะเป็นผลปลอยได้ที่เกิดขึ้นวิธีการที่ง่ายๆนะอยากแนะนําพวกเราวิธีการที่ง่ายๆนะคอยรู้ทันจิตของตัวเองไป ถ้าจิตนี้ไปคิดคอยรู้ทันจิตนี้ไปคิดคอยรู้ทันจิตนี้ไปดูหนีไปฟังหนีไปคิดนะคอยรู้เรื่อยๆจิตมันเคลื่อนที่ได้เราทดลองดูว่าจิตเคลื่อนที่ได้พรากเราลองดูพระพุทธรูปลองดูพระพุทธรูปสิว่านี่เป็นพระพุทธรูปแบบไหนดูซิว่าพระเกตของท่านตรงที่แหลมๆมีแฉกย่อยอยู่สังเกตไหมมีแฉกย่อยๆอยู่กี่แฉก สังเกตหรือเปล่าว่าขณะที่เราตั้งใจดูพระเนี่ยจิตเราอยู่ที่พระนึกออกไหมเนี่ยคือสิ่งที่หลวงปู่ดูลิ้วว่าจิตออกนอกแหละเวลาดูหน้าหลวงพ่อจิตก็วิ่งไปอยู่ที่หลวงพ่อดูพระพุทธรูปจิตไปอยู่ที่พระพุทธรูปถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปวยนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยะงั้นวิธีที่เราจะเกิดสมาธิที่ง่ายๆนะเราใช้สติเนี่ยรู้ทันถ้าจิตเราไหลไปเรารู้ทันนะสมาธิเกิดเองเลยนะ เราใช้ใช้สติเนี่ยรู้ทันจิตใจของตนเองจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบเองจิตนะเป็นยังไงคอยดูไปด้วยถ้าดูอย่างนี้สมาธิก็จะได้ขึ้นมาแล้วการที่เราคอยดูจิตใจของเราเองจิตใจไม่ได้มีแค่วิ่งไปวิ่งมาเท่านั้นนะจิตใจบางทีก็มีความสุขจิตใจบางทีก็มีความทุกข์จิตใจบางทีก็เฉยเฉยจิตใจบางทีก็เป็นกุศลบางทีก็มีราคะโทสะโมหะขึ้นมา ถ้าจิตเราเป็นกุศลก็ให้รู้ทันจิตมีราค่าให้รู้ทันจิตมีโทสะโมหะให้รู้ทันนะจิตสุขจิตทุกข์ให้รู้ทันให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยนะเมื่อตามองเห็นจิตทุกขเปลี่ยนนะเช่นเห็นเพื่อนเรามาดีใจนะเห็นศัตรูมาไม่สบายใจนะเห็นหมาสวยงามมาวิ่งมามพอใจเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวเนี่ยเรารู้ทันใจของเรา เมื่อตามองเห็นจิตเราก็เปลี่ยนให้เรารู้ทันเมื thought, thought, ่อหูเราได้ยินเสียงจิตเราก็เปลี่ยนให้เราคอยรู้ทันได้ยินเสียงชมใช่ใจเราก็พองเลยได้ยินเสียงด่าใจเราก็เดือดบ้างใจเราเหี่ยวบ้างเฉาบ้างให้รู้ทันความเปลี่ยนของจิตไปเรืนะ่อยในที่สุดเราจะเกิดปัญญาขึ้นเราจะเห็นว่าจิตใจนี่เป็นของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคว า, ามสุขก็ไม่เที่ยงคว า, ามทุกข์ مة, timer, ก็ไม่เที่ยงอุสนก็ไม่เที่ยงโลภโกรดหลงก็ไม่เที่ยงอย่าไปคิดเอา วิปัสนาไม่ใช่การคิดเอาวิปัสนาเป็นการเห็นตามความเป็นจริงวิปัสนามาจากคาว่าวินะกับคำว่าปัตสนะปัตสนะแปลว่าการเห็นนะวิปัสนาเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องว่ามันเป็นไตรลักษณ์วิปัสนาไม่ใช่การคิดคิดเรียกวิตกคิดเรียวิตกนะตรึกวิจารณ์ตรองเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเจริญปัญญาด้วยวิตกวิจารณ์แต่สอนให้ทําวิปัสนาคือการเห็นตามความเป็นจริง เราคอยเห็นจิตใจของเราตามความเป็นจริงหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนกรรมฐานให้บอกจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปยานเห็นจิตจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใครรู้จักความสุขไหมเ ร, เรารู้จักไหมความสุขรู้จักความทุกข์ไมรู้จักโลภหมรู้จักโกรธหมรู้จักหลงไม รูจักกลัวไหมอิจฉาเป็นไหมหมออิจฉาเป็นไหมหมอพยาบาลอิจฉาหมอมีไหมหมอจีบพยาบาลมีรักนี่เห็นไหมเดียเด๋ยวรักเดียดเด๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงทุกคนรู้จักพยาบาทเป็นไหมใครเคยพยาบาลบ้างยกมือซิยกมือซิที่เหลือดีผิดปกติไม่ใช่ความจริงแน่เลยไม่กล้าสารภาพจริงๆเราร้ายนะแต่เรควรนะ่ะ ร้ายโคตรโคตรเลยไม่ใช่ร้ายธรรมดาหรอกอารมณ์ทางใจทุกอย่างเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วกลัวกับกังวลเหมือนกันไหมร่วมใจกับเศร้าใจเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมเราแยกได้ความรู้สึกแต่ละชนิดเครียดกระเสงเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมถามตัวไหนรู้จักทุกตัวเลยใช่ไหมแล้วมันจะยากอะไรการดูจิตดูใจเรา ตอนนี้ความรู้สึกอะไรกำลังปรากฏอยู่ตอนนี้มีความสุขรู้สึกไหมหลายคนมีความสุขนะสังเกตไหมว่าพอเรามารู้ทันว่าใจมีความสุขความสุขเริ่มหายไปละกลายเป็นนิ่งรู้สึกไหมใจเริ่มนิ่งการที่จะดูจิต ด, ดูใจนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกคนดูได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะดูเท่านั้นเองหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อประโยคแรกเลยนะไปกราบท่านเนะี่ยไปถึงเจอท่านนะไปกราบหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัต หลวงปู่ก็นั่งเก้าอีโยโยกนะหลับตาเกือบชั่วโมงเนะ่ยแล้วก็นึกว่าหลวงปู่ฉันข้าวเสร็จใหม่ๆหลับไปแล้วหลวงปู่อายุเกือบร้อยปีแล้วตอนนั้นท่าน95นึกว่าท่านนั่งหลับไปแล้วโอ้หลวงปู่เมื่อไรจะตื่นนั่งรอท่านว่าตื่นแล้วท่านคงเทศให้ฟังทวาจริงท่านไม่ได้หลับนอนหลับหรอกท่านนั่งหลับตาสืบประวัติเราพาท่านลืมตาท่านก็สอนเลยบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะให้อ่านจิตตนเองจิตเราเป็นยังไงคอยรู้ทันไปเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายการที่เราคอยรู้คอยดูไปนั้นสุดท้ายมันจะรู้เลยว่าจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็ชั่วคราวให้คอยรู้ทันของชั่วคราวที่เกิดขึ้นนี้แหละถ้าเราเห็นแจ้งตรงนี้นะ บางทีจิตก็สงบนะสงบเองเป็นช่วงๆอย่างหลวงพ่อภาวนาเนี่ยหลวงปู่ให้ดูจิตเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานไปด้วยนะวันหนึ่งจิตมันเปลี่ยนไปไปส่งกันบ้านหลวงปู่ไปไปหาท่านหลวงปู่ครับผมนั่งดูจิตอยู่นะแล้วจิตมันเคลิ้มเคลิ้มลงไปหลวงปู่บอกจิตเข้าสมาธิก็ไปเฉียงท่านนะบกหลวงปู่ผมดูจิตอยู่จเจริญปัญญาอยู่ไม่ได้ฝึกเข้าสมาธินะ หลวงปู่บอกว่าดูจิตนีได้สมาธิอัตโนมัตินะเพราะว่าเวลาจิตฟุ้งซ่านเรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านดับมันสมาธิมันเกิดล้นะถ้าจะเจริญปัญญาก็จะเห็นเลยว่าจิตที่ฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวจิตที่สงบก็ชั่วคราวจิตที่ดีก็ชั่วคร้าวจิตที่ชั่วก็ชั่วคราวจิตที่สุขก็ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็ชั่วคราวดูของชั่วคราวไปเรื่อยการที่เราได้มาเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตของเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคร้าว ถ้าเมื่อไหร่จิตยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างชั่วคราวสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเราจะเริ่มได้ดวงตาเห็นธรรมเคยได้ยินคำว่าดวงตาเห็นธรรมไหมดวงตาเห็นธรรมเขาเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันไม่ได้เห็นอะไรพิลึกพิลั่นไม่ใช่เห็นผีไม่ได้เห็นเทวดาเห็นผีเห็นเทวดาไม่ได้เป็นพระโสดาบันนะจะเห็นอะไร เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทั้งสิ้นเลยนะั้นเรามาเฝ้าดูของจริงที่ปรากฏในใจเราไม่ใช่เรื่องยากที่พวกเราจะทําได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในใจของเรานั้นเรารู้จักอยู่แล้วโลภเราก็รู้จักโกรธเราก็รู้จักหลงเราก็รู้จักฟุ้งซ่านหดหูดีใจเสียใจนะอิจฉาพยาบาทอะไรเนี้ยรู้จักหมดเลยรู้จักกดีกระดาไหมรู้จักไหมกดีกระดากระดีใจเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นไหม เราพวกเราคนไทยเนี่ยบุญมากนะบรรพบุรุษเรานะสร้างภาษาไว้ที่สื่อถึงความรู้สึกเนี่ยสามร้อยกว่าคำสามร้อยกว่าคํานะเยอะมากเลยนั้นจริงๆนะคนโบราณเนี่ยแยกแยะความรู้สึกของตัวเองได้ละเอียดยิบเลยเรามีอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เรารู้อยู่แล้วคอยรู้ทันไปจนกระทั่งวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงแนละ้วทุกอย่างชโช ค, คราว ถ้าจิตยอมรับความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวร น, นะถ้าเห็นได้อย่างนี้ก็ได้ดวงตาเห็นทำได้ธรรมะแล้วแล้วคนที่เห็นจิตยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวเนี่ยความทุกข์จะหายไปเยอะเลยบางคนบอกว่าเป็นพระโสดาบันความทุกข์หายไป2ีเปอนตไอ้ น, นี่คิดบัญญตยยัติใจยางแบบเซ่อๆนะไม่จริงหรอกนะลงเป็นพระโสดาบันนะความทุกข์หายไปเยอะเลยเยอะกว่า 25% เนะแต่กี่เปอร์เซ็นต์ต้องไปนับเอาเอง ค่ร e e. ู้ครดูไปนะดูไปเรื่อยเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวพอเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวได้ต่อไปนะร่างกายมันแก่เราไม่กลุ้มใจมากว่ร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวมันต้องแก่ความหนุ่มความสาวเป็นของชั่วคราวมันต้องแก่ร่างกายเจ็บเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาความแข็งแรงก็เป็นของชั่วคราววันหนึ่งต้องเจ็บร่างกายจะตายก็เป็นเรื่องธรรมดามันต้องตาย การที่จิตใจของเราจะพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการที่เราอยู่กับสิ่งที่เรารักอยู่กับสิ่งที่เราที่ที่เรารักหรือคนที่เรารักเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะเราอยู่ตลอดไม่ได้นะเราการที่เราเจอปัญหาชีวิตมีปัญหาเครียดมากเลยบางคนที่นี่ยังดีนะพุ่มในการยิ้มหวานบางที่พุ่มในการดุมากเลยบางที่น่ากลัวเข้าใกล้แล้วก็เครียดเลยนะ การเจอคนที่ไม่รักเป็นทุกข์ก็เรารู้สึกไหมถ้าเราเจอคนที่เราไม่ชอบเป็นทุกข์เวลาเห็นคนไข้เดินมาเนี่ยเห็นคนไข้แต่ละคนเนี่ยความรู้สึกเราไม่เท่ากันรู้สึกไหมทั้งๆที่ไม่รู้จักเลยนะแต่เห็นคนนี้นะรู้สึกเออคนนี้ท่าทางไม่เรื่องมากพอใจคนนี้เห็นหน้ามาแต่ไกลงโงเ่เฮงแบบนี้ต้องเรื่องมากแน่ปากจัดพูดไรเถียงทุกคาเนี่ยใจเราไม่ชอบแล้วเนี่ยคอยรู้ไปไปรู้ไปนะ ถ้าเราฝึกให้มากเราก็จะเห็นเลยการที่เราเจอพลัดพรากกับสิ่งที่รักก็เป็นของชั่วคราวนะประสบกับสิ่งที่รักก็ชั่วคราวเจอสิ่งที่ไม่รักก็ชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวหมดเลยอย่างคนกรุงเทพตอนน้ําท่วมเห็นไหมน้ำท่วมน้ําท่วมก็ชั่วคราวนะทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวหมดเลยก็ทั่งชีวิตเราก็ของชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูลงไปด้วยถ้าเมื่อไหร่จิตยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างมันชั่วคราวเนี่ย ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะเราไม่ทุกข์มากความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าชั่วคราวเราก็ไม่ลหลงไหลได้ปลื้มกับความสุขนะไม่หิวโหวยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเราก็ไม่เกลียดชังมันพรามันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปใจที่เข้าถึงความเป็นกลางนะีใจมันเห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นของชัว่วคราวเนะี่ใจมันจะเป็นกลางมันจะดิ้นรนน้อยลงน้อยลงนะจะมีความเต็มอิ่มขึ้นมาภายนในใจที่หิวโหยดิ้นรนตลอดเวลานะหาความสุขไม่ได้ แต่ใจที be sure. mm ่ม hmm. yeah, ีปัญญาเห็นความจริงว <Myth S 2> <anyway. S 1> so, ่าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวเนี่ยมันจะค่อยๆลดการดิ้นรนลงมันจะดิ้นทําไมดิ้นไปหาความสุขทําไมจะต้องหาความสุขความสุขเป็นของชั่วคราวมันดิ้นอะไรอีกมันดิ้นหนีความทุกข์จะต้องหนีทําไมความทุกข์เป็นของชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูลงไปในใจนะจนปัญญามันเกิดมันเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตนี่ชั่วคราวหมดเลยนะต่อไปเนใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนะ เข้าสู่ความเป็นกลางไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมีความสุขอยู่ได้ตลอดเวลามาอยู่ในที่ทำงานเจอปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาปัญหาก็ชั่วคราวมีไหมปัญหาที่แก้ไม่ได้มีปัญหาที่แก้ไม่ได้มีแต่ปัญหาถาวรไม่มีปัญหาเนี่ยกระทั่งบางคนเป็นมะเร็งใช่ไหมแก้ไม่ได้ละรักษาไม่หายละแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งตลอดไปหรอกมะเร็งกับคนเนี่ยตายพร้อมๆกันนะตายด้วยกันนะ้าเสมอกันนะนะ ไม่มีไม่แพ้นะทุกอย่างชั่วคราวไปหัดดูนะแล้วพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยอยู่ในบ้านก็มีความสุขเพราะเรารู้ความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันชั่วคราวใจเราไม่ดินน้นรนไม่หิวโหวยเพราะมีปัญญามาอยู่ในที่ทํางานก็ทํางานอย่างมีความสุขทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสงเคราะห์คนอื่นอยู่โรงพยาบาลเนี่ยทาบุญได้ง่ายนะทําบาปพวง่ายนะ ทำบุญก็ง่ายทำบาปก็ง่ายเช่นเกลียดหน้าคนไข้ฉีดยาให้มันแรงกว่าความจริงแค่นี้ก็บาปแล้วนะทำบุญก็ง่ายทำบาปก็ง่ายนะพระพุทธเจ้าเรานะเคยเป็นหมอแล้วท่านเคยวางยาคนไข้สมัยในอดีตนะก่อนที่จะเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านวางยาคนไข้ยอยถ่ายเป็นเลือดในชาติสุดท้ายอนท่านเป็นพระพุทธเจ้านะท่านรู้เลยว่าท่านจะต้อง ปรินิพานโดยถ่ายเป็นเลือดท่านหนีกรรมไม่พ้นกระทั่งท่านอย่างหนีกรรมไม่พ้นเลยนะเมราอเราก็ต้องระวังนะแต่ละคนกรรมไว้เท่าไหร่กรรมไว้สองมือเท่านั้นกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมอยู่ไัแหละกรรมไว้นานเมื่อยนะกรรมดีก็เมื่อยนะกรรมชั่วก็เมื่อยค่อยฝึกนะไม่ใช่ยากหรอกค่อยรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่วันไหนดูจิตใจไม่ออก ก็ทําความสงบไหมพุทโธพุทโธพุทโธไปนะหายใจไปคนไหนชอบรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขไปรู้ลมหายใจคนไหนพุทโธมีความสุขไปรู้พุทโธนะอย่าบังคับจิตพุทโธเล่นๆจิตจะสงบเองหายใจเล่นๆจิตจะสงบเองนี่เคล็ดลับพอจิตใจมีความสุขมีความสงบจะเกิดแรงมีกําลังกลับมาดูจิตต่อได้เห็นเลยจิตมีความสุขก็เห็นว่าความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป จิตเฉยเฉยดูไปอีกจิตเฉยๆ ย, เ, ยๆเกิดแล้วก็ดับอาจจะเกิดจิตสุขก็ได้จิตทุกข์ก็ได้เกิดจิตดีก็ได้จิตชั่วก็ได้นะดูความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เรื่อยไปนะพอไหวไหมไม่รู้จะง่ายกว่านี้ได้ยังไงแล้วล่ะนะง่ายสุดขีดแล้วถ้าจะเทศง่ายกว่านี้เดี๋ยวก็จะว่า ด, ดูถูกนะ <c oughs> แต่ละคนหน้าตาฉลาด <c oughs> อย่างน้อยก็ฉลาดแล้วมาฟังเทศ พอไหวไหมเห็นไหมจิตมีความสุขเห็นไหมนะง่ายๆแค่นี้แหละเห็นไหมความสุขเริ่มลดลงแล้วไหกลายเป็นความนิ่งไหนะนะอย่าจ้องเซตลับของการดูจิตตัวหนึ่งนะอย่าไปจ้องจิตถ้าจ้องแล้วมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูเลยการดูจิตที่ดีการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตที่ดีนะใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละให้ตามองเห็นให้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัส ให้ใจมันคิดนึกไปแล้วมันเกิดความสุขรู้ทันเกิดความทุกรู้ทันเกิดกุศลรู้ทันโลภโกรธหลงรู้ทันแต่ถ้าอยู่ๆเป็นนั่งดูจิตแล้วเป็นจ้องเอาจ้องเอ า, อเอาไม่มีอะไรให้ดูเลยว่างๆนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่ดูจิตแต่เป็นการเพ่งจิตให้ให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยดูสบายๆดูไปอย่างเพียงความสุขเจวันเจเดือนะเจ ป, ปีน่าจะได้อะไรบ้างถ้าไม่ดีเกินไปหรือเร็วเกินไปน่าจะได้อะไรบ้างดีเกินไปอย่างบางคน หวังพุทธภูมิภาวานาไปแล้วเลยไม่เกิดมากผลทักทีใจห่วงอยากได้พุทธภูมิหรือบางคนชั่วเกินไปฆนะ่าพ่อฆ่าแม่อะไรเงี้ยนะใครพ่อแม่ตายไปแล้วบ้างในห้องนี้มีไหมที่พ่อแม่ตายแล้วฆ่าฆ่าพ่อแม่ป่ะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ฆ่าขณนะก็ตายเองนะนั้นเราตัดโอกาสตัดช่องทางที่จะทําอนันตริยกรรมไปสองตัวแล้วพวกเราไม่ใช่พระเราทําสังฆเทศไม่ได้ คนที่ทําสังขเวนได้คือพระกับพระนั้นเราตัดอนันตริยกรรมไปได้อีกตัวแล้วเราทำพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตได้ไหมไม่ได้เพราะเราตัดไปได้อีกตัวแล้วนะโ อ, โอกาสทําอนันตริกรรมยากแล้วนะนั้นเราไม่เข้าข่ายเลวสุดขีดหรอกนะเราเลวพอประมาณเท่านั้นแหละพ <laughs> อสู้นะเราดูไปกิเลสเนี่ยเยอะกิเลสเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในนะไปดูไปเขาจะขึ้นมาให้เราดูไปเรื่อย แล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวดูเพื่อหเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวไม่ใช่ดูเพื่อให้สงบนะถ้าดูเพื่อให้สงบนั่นเป็นเรื่องของการทําสมถะแต่ดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวเป็นการเจริญปัญญาบุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาแตนะ่สมถะเป็นตัวช่วยเวลาเราดูจิต ด, ดูใจไม่ออกแล้วเราก็าทาความสงบนะทําสมถะเคล็ดลับการทําสมถะต้องสบายใช่ไหมนะ แล้เคล็ดลับของการเจริญปัญญาจิตต้องตั้งมัน่นจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูฝึกขึ้นมาให้ได้พอไหวไหมไหว้วทำหรือเปล่า <c oughs> หลวงพ่อไม่เคยทําให้ครูบาอาจารย์หนักใจตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเรียนที่วัดอโศการามเจ็ดขวบเอง เจอท่านพ่อหลีท่านสอนหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งเข้าพุทธออกโทนับสองะไรสอนอย่างนี้นะกลับบ้านมานั่งหายใจทุกวันเลยนะหายใจแล้วก็พุทโทนับไปเรื่อยตอนเด็กๆนับไปถึงร้อยนะแล้วก็นับหนึ่งใหม่หายใจอยู่อย่างเงี้ยหายใจอยู่ไม่นานนะจิตก็สงบเพรเด็กมันไม่คิดมากนะอย่างพวกเราเป็นนั่งสมาธิปุ๊บก็เริ่มคิดแล้วเมื่อไหร่จะสงบเลยไม่สงบสักทีก็คิดมาก เด็กก็นั่งเล่นๆน่ะไปและพระสอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโตปุ๊บเดียวก็สงบไปไม่ยากอะไรไม่เคยเลิกหวังว่าวันหนึ่งจะได้มรรคผลนิพพานนั่งหายใจอยู่งั้นน่ะทำอยู่ยี่สิบสองปีไม่เห็นมันจะได้อะไรเลยได้แต่ความสงบไม่เจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูความเปลี่ยนแปลงของจิต ตั้แต่หลวงปู่สอนเนี่ยดูตลอดเลยดูทุกวันเลยไม่เลิกเลยไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์จ้ำที้จ้ำชัยเลยนะตอนเรียนสมถะครูบาอาจารย์ไม่ต้องจ้ำจี้จ้ำชัยทำสมถะทุกวันรู้ลมหายใจทุกวันหลวงปู่ให้ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตทำวิปั ส, สนาไม่เคยเลิกเลยกนะ็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตเวลาไปเจอครูบาอาจารย์นะองค์อาจกล้าหาญนะไม่กลัวขนาดบางองค์ขึ้นชื่อลือชาหน้ากลัวอาจารย์มหาบัวก่อไม่กลัวท่านหรอก เวลาอยู่ห่างๆกลัวนะแต่พอเข้าใกล้ไม่กลัวนะสู้ตายเลยคือเราจะไปถามกรรมฐานท่านนะไม่กลัวหรอกถ้าเราไม่ดีเราเลวท่านด่ามานะโอ้ยเราทูนหัวทุนเกล้าเลยนะเราดีใจนะว่าเราไม่ดีแล้วท่านบอกให้ทำไมไม่กลัวครูบาอาจารย์เราขยันภาวนานพวกเราบางคนนะไม่ค่อยกล้าเข้าหน้าหลวงพ่อนะหลบหลีกๆๆเลยกลัวหลวงพอรู้ใส้ให้หลบหลีกเลย กลัวทำไมขยันภาวนาเราไม่ต้องกลัวใครนะตั้งอกตั้งใจเข้าโอกาสที่พวกเราได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขนาดนี้ยากนะโอกาสที่เราได้ฟังธรรมะนี่ยากนะหลวงพ่อไปเทศอเมริกานะสงสารฝรั่งเลยสงสารมากเลยเราเทศเราก็ต้องมีคนแปลนะกว่าเขาจะเข้าใจฝากเขาจะได้ประโยชน์หนึ่งเนะี่ยตั้งนานนลยกว่าเขาจะถามรู้เรื่องนะตั้งนานเลยเสียเปรียบพวกเรามากเลย พวกเรานะอาจจะอยู่ในประเทศที่ไม่รำ่ำรวยมีปัญหาน้่นปัญหานี้ประเทศไหนก็มีปัญหาแต่พวกเราเองมีบุญนะ เ, เกิดในแผ่นดินซึ่งพระศาสนายัางดำรงอยู่ดังนั้นอยากให้มันหายไปซะเปล่าๆตั้งอกตั้งใจภาวนาเขาไม่ยากไม่ยากหรอกหัดรู้สึกไปใจเปลี่ยนยังไงนะตามองเห็นใจมันเปลี่ยนรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตมันเปลี่ยนรู้ทันใจนไปคิด เกิดความเปลี่ยนแปลงรู้ทันแค่นั้นแหละสุดท้ายมันก็เห็นเองว่าตุ้อย่างชั่วคราวง่ายๆแค่นี้แหละถ้าดูไม่รู้เรื่องก็ทําความสงบไปพุทธโธไปหายใจไปแล้วแต่ถนัดทองยุบก็ได้อะไรก็ได้หลวงพ่อพุทธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังเดี๋ยวมีรูปหลวง พ, พ่อพุธมีลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งนะไปบวชกพวกปัญญาชนนี่แหละไปบวชท่านให้พุทธโธก็ท่องพุทธโธพุทธโธนะเสร็จแล้ววิ่งมาหาท่านนะ บอกหลวงพ่อจิตผมมันบาปมากเลยมันต้องพุโทโธอยู่ดีๆแนละ้วมันไปท่องชื่อแฟนแทนแล้ว <c oughs> จิตมันชอบชื่อนี้พอจิตไปท่องชื่อแฟนจะทํำยังไงหลวงพ่อพูดบอกท่องชื่อแฟนเลยไม่ต้องท่องพุโทโธว่าจิตมันชอบคำนี้นะั้นท่องหวเ่าพางนี้ปลื้มมากเลยหลวงพ่อพุทให้ท่องชื่อแฟนนะบริกรรมชื่อแฟนไปได้นะหนูชื่ออะไรขอยืมชื่อสักคนนะจิตเออ ทิปอชอบนะท่องไปทิปทิปทิปอชอบมากเลยนะใจสงแบแป๊บเดียวสงบเลยเพราะใจมันมีความสุขที่บริกรรมชื่อนี้นะนี่หลวงพ่อพูดสอนนะง่ายๆแค่นี้เองทำสมถะจิตใจสงบแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขต่อวิปัสสนาเลยเห็นว่าความสุขเป็นของโชคคราวเอาละเท่านี้ก็พอแล้วนะเทศนมากกว่านี้เดี๋ยวพวกเราขี้เกียจฟัง ใครจิตฟุ้งซ่านบ้างรู้จักอย่างจิตฟุ้งซ่านไมง่ายง่ายแค่เนี้ยง่ายนิดเดียวเห็ยไหมแค่นี้ก็เริ่มรู้จักแล้วการดูจิตจะนึกว่ายากนะดูกายอะยากดูกายถ้าไม่ทรงฌานนะดูยากครับสำหรับท่านที่เตรียมการบ้านที่จะส่งหลวงพ่อเชิญเลยนะครับตกลงกันก่อนนะถามแตเรื่อง ก, กรรมฐานนะ <c oughs> อ ย, าา อ, ยอย่าถามหูไอ้ถามญาติญาติของหนูตายแล้วไปเกิดที่ไหนมงคนมั น, นชอบไปถามแม่หนูตายแม่หนูไปเกิดที่ไหนหลวงพ่อบอกตอนแม่หนูอยู่อยู่ที่ไหนหลวงพ่อยังไม่รู้เลยเว่างไงใครจิตออกนอกบ้างจิตออกนอกคือจิตมันไหลไปเห็นไหมเมื่อกี้คุณพยาบาล น, นี่เดินมาจิตเราไหลไปอยู่ที่เขานึกออกไหมนี่แหละหลวงู ด, ดูลเรียกว่าจิตออกนอก จิ๋นไหลไปถ้าไม่เสียไม่ต้องถามก็ได้นะเธอแค่สงสัยรู้ว่าสงสัยกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะมาสงันเห็นไห้เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นเจ้าค่ะแล้วไงอ่ะจะต้องถามอะไรมันก็เห็นแล้วนี่มันก็ยังช้าอยู่เลย อะไรนะมันก็ยังช้าอยู่เลยอย่าโลภสิมันเยอะเจ้าค่ะถ้ายิ่งอยากก็ยิ่งช้าก็ได้ไปดูมาหกเดือนกว่าแล้วหกเดือนหกเดือนเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองัหมเห็นเจ้าค่ะได้ <นะ S 2> ได้ดูตัวโลภเนี่ยหกเดือนแล้วแล้วก็ยังโลภอยู่เลยแล้วก็เยอะมากๆไม่ได้เรียนเพื่อให้หายโลภนะเราเรียนเพื่อให้เห็นว่าความโลภเไม่เที่ยง จิตที่โลภก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โลภก็ไม่เที่ยงอ่าเห็นเปล่าอันนี้เห็นเออเห็นแล้วจะเอาอะไรอีกเข้าใจว่าจะไม่ให้มันมีต่อไปแล้วไม่ใช่อันนั้นเป็นเป็นผลขอกการปฏิบัตินะอืถ้าได้ถึงพ้านาคาก็ไม่มีความโลภในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่ยังโลภในความสุขความสงบของสมาธิอยู่อ๋อยังยังมีแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเข้าใจแล้วเจ้าค่ะมันมันไม่ใช่ภูมิของเราที่จะไม่โลภ ตอนนี้ต้ารลบไปก่อนเจ้าคแล้วก็เห็นในรอบกอไม่เที่ยงไม่รอบก็ไม่เที่ยงดูไปงั้นอ่าเจ้าค่ะเห็นหรือเปล่าว่ากายกับจิตเป็นโครานเห็นเห็นไหมความสุขความทุกข์กับจิตเขาโครานเห็นความสุขความทุกข์กับกายเขาโครานเห็นเออเห็นแล้วจะถามอะไรส่งไมล์ไปมีการขอถามมีคำหนึ่งทายังไงถึงจะหยุดวัตตะที่มันหมุนมนหมุนมนอะไรนะที่มันมุนอยู่ในนี้ใช่ไหมวัตตะ ว่าตามนอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์อ๋อนึกว่าจนกว่าจะตาเห็นไม่มีแต่ทุกข์เห็นไม่ไหวแล้วต้องเป็นกลางนะจิตหนูไม่เป็นกลางหนูไม่เป็นกลางกับตัวนี้้องเป็นกลางถึงอยากให้พ้นไปก็ไม่พ้นความอยากเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตราบใดที่ยังอยากอยู่ไม่พ้นหรอกต้องต้องเป็นกลางกับตัวนี้ ไม่ใช่บังคับจิตให้เป็นกลางนะถ้า a a จิตไม่เป็นกลางให้รู้ว่าจิตไม่เป็นกลางเจ้าค่ะแล้วเขาจะเป็นกลางของเขาเองเจ้าค่ะถ้าจงใจบังคับจิตให้เป็นกลางไม่เป็นหรอกเจ้าค <staggering> ่ะก็การบ้านก็ไปดูว่าโลมไม่เทียงนะแล้วก็ไปดูนะแล้วก so ็ให้เป็นการกับวัฏฏอย่าให้จิตฟุ้งซ่านด้วยนะจิตเยองมากทาก็ทุกวันนี้ก็ทาสมาธิเยอะมากกันนะเจ้าค่ะ ทำ ส, สมาธิมันมีเคล็ดลับนะทำสบายแล้วจิตไหลแล้วรู้ทันจิตไหลไปแล้วรู้ทันเอาแค่นั้นน่าจิตสงบเองดูจิตคนอื่นได้ไหมไม่ได้งั้นแล้วไปอ่ะต่อไปขออนุญาตถามนะคะอพออยู่ไหน อ, อยู่นี่ค่ะอ๋อ หนูมไม่ชอบทำสมาธิศีลบกพ่องจิตไม่มีแรงฟุง้งเพ่งประคองอจิตแส่สายตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นห<แ>มกมุ่นในการดูจิต<แ>ชอบชอบทำดีอยากดีแล้วก็มีความเล่าร้อนที่จะทำะจิตไม่ถึงฐานไม่เป็นกลางกับกิเลสชอบไปอชอบทำมากกว่าชอบดูค่ ะ, ะ, ะแล้วก็ติดสุข ติดภาวะละหูตาค่ะกลัวทุกมีกิเลสพยายามที่ทำให้หายจิต ด, ดื้อมากค่ะอขอวิหารธรรมขอกันบ้านด้วยนะคะโอ้เก่งนะหาคนที่จะเห็นความเร็วได้ขนาดนี้ยากนะ <c oughs> <c oughs> ยากมากเลย <c oughs> หนูดูซื่อไปเลยนะมันไม่ใช่เราสักอันเดียวนะกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราดูไปดูได้ละเอียดยิบชฉละเก่งชะละ จุดสำคัญคือจิตต้องถึงฐานจริงๆถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องน ะ, จะเจริญปัญญาไม่ได้จริงสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารามันูปนิชฌานอันนี้ไว้พักผ่อนเป็นสมถกรรมฐานสมาธิชนิดที่2จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเรียกลักขณูปนิชฌาน สมาธิชนิดที่สองนี่เป็นสมาธิที่แสนจะอาภัพไม่มีคนรู้จักหรอกหายากมากเลยเมื่อสามสิบปีก่อนนะหลวงพ่อฝึกจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วก็ฝึกเพื่อนไว้กลุ่มหนึ่งนะสักสิบกว่าคนสิบเอ็ดคนอะไไปไหนก็นั่งรถตู้ไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันเข้าไปวางที่ท่านมองเลยว่าไปรวมกันมาได้เยอะขนาดนี้แนละ้วแค่จิตรู้สึกตัวตั้งมั่นนี่นะท่านว่าหายากล้ มาถึงวันนี้นะพวกเราที่รู้สึกตัวขึ้นมาได้จิตตั้งมั่นได้ น, นับจำนวนไม่ท้วนเลยให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาอย่างของคุณจิตมันอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมจิตมันอยู่ข้างนอกให้รู้ทันว่ามันอยู่ข้างนอกมันจะทวนเข้ามาเองนะมันจะกลับเข้ามาเองอย่าดึงถ้าดึงแล้วจะแน่นถ้าแน่นแสดงว่าทาผิดนั้นะดูไปสบายจิตไหลไปแล้วรู้ทนันจิตจะตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเห็นกายมันทํางานไปจิตเป็นคนดูเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเห็นความสุขความทุกข์มันทํางานไปจิตเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นมันก็ทํางานนะจิตเป็นคนดูเห็นจิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเป็นคนดูอีกให้ฝึกไปเรื่อยถ้าเรามีจิตที่ตั้งมัน่นแล้วก็เราจะเจริญปัญญาได้ฉะั้นสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ต้องเป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบถ้าจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นเป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนไม่ได้ไว้เดินปัญญาสมาธิอย่างนั้นมีมาตลอดนะไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าเองเจ้าชายสิทธัตถะเองตอนออกบวชทีแรกนะก็ไปเรียดจากลือศีไปฝึกสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละไปตั้งอยู่ในอารมณ์เดียว สุดท้ายท่านก็พบว่าไม่ใช่ทางถ้าไปทรมานกายก็ไม่ใช่ทางท่านก็ระลึกถึงสมาธิอีกชนิดหนึ่งซึ่งเคยเกิดขึ้นตอนเด็กๆตอนพ่อท่านไปทําพิธีแรกนาท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวท่านนั่งหายใจจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาท่านนึกถึงสมาธิตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ามาทําตัวนี้ขึ้นมาหายใจรู้ลมหายใจแล้วก็จิตตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยท่านก็เห็นการทํางานของรูปนํา ว่มามันทำงานสืบเนื่องกันเป็นปฏิจจสมุปบาทไม่มีตัวมีตนอะไรแลนะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้างั้นท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทนะเห็นอริยสัจนะไม่ใช่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอาณาปานาสตินะอาณาปานาสตินั้นเป็นการฝึกให้มีสมาธิขึ้นมาเท่านั้นเองมีจิตที่ตั้งมั่นเมื่อมีจิตตั้งมั่นแล้วเจริญปัญญา ท่านเจริญปัญญาท่านดูอะไรมีอยู่ทุกถึงมีอยู่ความเกิดคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รูปได้นามมานั่นแหละทําให้ความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยท่านดูดูของจริงทวนเข้าไปจนรู้เลยว่าเพราะอาวิชามีอยู่นะความปรุงของกิจจึงมีอยู่อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกอะไรคือทุกรูปนามกายใจนี่คือตัวทุกข์พวกเราเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ไหมไม่เห็นหรอก เ ห, เ, หเห็นกายเห็นเห็นกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นไหมไม่เห็นกายเป็นทุกข์จิตใจก็เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างไม่เห็นเป็นทุกข์หรอกงั้นเราอย่ามีอวิชชานะมีเชื้อเกิดอย่ต้องเกิดอีกเนี่หลวงพ่อประโมทพยาก่อนให้ต้องเกิดอีกสามใดที่มีอวิชชาอยู่เอาต่อไปมรดการหลวงพ่อครับเมื่อกลางเดือนพฤษภาได้ไปอยู่วัดหนึ่งอาทิตย์ก็ตอนนั้นตอนนั้นก็มีอาการ หลวงพ่อบอกว่าไม่เพ่งแล้วแต่ว่าจิตไม่มีกําลังให้ให้ท่องพุโทโธเล่นๆครับตอนนี้ก็มาฝึกท่องพุโทโธเล่นๆแต่แต่จิตไม่ค่อยเอาพุโทโธครับจิ ต, ตจะเอ า, ะเ อ, าอะไรจะเอาชื่อแฟนหรไม่ใช่ครับ <laughs> จะนับอ่านับสิบเก้าแปดเจ็ดได้อะไรก็ได้แต่รู้สึกว่ามันมานับยาวแล้วไม่ไม่ทราบว่าจะทําให้จิตไปติดเพ่งอยงนห ร, รือเปล่าครับือนับยังไงนะสิบเก้าแปดเจ็ดนับให้ดูสิเพง่ง ผมกลัวมา ม, ม, มันจะเพ่ง อ, ง <จะ S 1> อีกเดอมันเป็นเพ่งนะนับเล่นๆอย่างนี้เราเราจะนับเวลาไหนครับ<ะ>เราเรานับเวลาที่เราอยู่เฉยๆหรือว่าเราเราพยายามที่จะทํำกา ร, ราานับนการนับเลขเลก็ตามการพุทโธก็ตามนะมันก็คือการคิดนั่นเองเป็นแต่ว่าจงใจคิดในเรื่องเดียวแทนที่จะปล่อยจิตแล้วมันก็คิดร้อยเรื่องพันเรื่องวมาคิดพุทโธมาคิดนับเลขให้นับเลขไปแล้วรู้ทันจิตไป นับเลขหนึ่งสองสามสี่จิตหนีไปแล้วรู้ทันนะแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้าจิตหนีไปแล้วรู้ทันนับเลขแล้วรู้ทันจิตอใช้ได้อ๋อคือไม่นับให้จบถึงหนึ่งแต่ว่าพอเผลอปุ๊บก็ให้รู้ใช่ไหมใช่ใช่เรานับเอาสติเราไม่ได้นับเอาเลขครับผมคขอ บ, บคุณมากครับทาํากรรมฐานนะทําให้ได้จิตได้ใจขึ้นมาไม่ได้ทําเอาอะไรหรอกขอขอบคุณและขอโทษที่สุดอะไรนะ ขอขอบพระคุณหลวงพ่อที่ทำให้าศาสนาพทุทธเป็นาศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าต่างหา ก, ากขึ้นใหม<า>่ครั้งในพุทธศักราช2555อ๋ออ๋อข่อยังชั่วหน่อยเมือหลวงพ่อเป็นเจ้าของาศาสนาแล้วไม่ใช่ลนะขอบคุณมากแล้วก็ที่หนูฝึกอะ น, นะดีแล้วนะ แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปถ้าจิตมันกระจายกว้างออกไปเรารู้ทันไปนะมันจะได้กลับเข้ามาอยู่ข้างในมาอยู่กับเนื้อกับตัวสงสัยไหมสงสัยไหมหนูสงสัยแค่ว่าหลวงพ่อช่วยหนูไว้ใช่ไหมฮะหนูสงสัยแค่ว่าหลวงพ่อช่วยหนูแต่หนูไม่ต้องตามคําคตอบหนูต้องทําเองนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนกล้า เป็นเส้นทางที่ต้องไปคนเดียวนะแล้วเราจเจริญสติจเจริญปัญญาไปแต่ว่าเราจะพบนะว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวจริงหอกเรามีพ่อแม่พี่น้องนะถ้าเราภาวนาเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของเราจริงๆครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหมือนพี่น้องประครับประคองเราเราไม่โดดเดี่ยวเดียวดายอะไรหรอกหัดภาวนานะแล้วก็จิตมันเคลื่อนไปรู้ทันจิตมันไหลไปรู้ทัน จิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตสงสัยรู้ทันให้รู้ทันรู้สบายสบายไม่ห้ามให้รู้ว่ามันหลงไปให้รู้ว่ามันไหลไปมันไหลไปคิดเนี้ยให้รู้ว่ามันไหลไปคิดพอเรารู้ทันนะจิตจะค่อยค่อยตื่นขึ้นตื่นขึ้นที่หนูฝึกก็ดีแล้วล่ะนะฝ <ขอ S 1> ึกต่อขอบขอบคุณที่สุดฝึกไปอีกนะกรับมาสการหลวงพ่อคะ่ะคือเอายอมมีปัญหาจะถามนะคะว่า เวลาที וף, ่โยมบางครั ah to uh ้ง huh. ค hmm. ือผ so, ่านมานานแล้วอะค่ะเวลาที่โยมนอนแล้วมันจะรู้สึกว่าความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นมาเองเมื่อเกิดขึ้นมาแบบเยอะมากแล้วเหมือนกับมิมันเป็นไม่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วมันจะมีเหมือนกับว่าความรู้สึกตัวขึ้นมาแวบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนมันสู้ๆกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่าไปสู้กับมันนะแค่รู้มันนะแล้วอย่าไปสู้กับกิเลสเราแค่รู้ทันว่ามีกิเลสเกิดขึ้น เราปฏิบัติต่อกิเลสนะเหมือนกับเรือลําใหญ่ๆนะจอดอยู่ริม <c oughs> ทะเลพ่อสมออยู่เรือไม่ไหลาตามน้ําแต่เรือไม่ต้านน้ํากิเลสมาเนี่ยจิตเราไม่ไหลาตามกิเลสแต่จิตเราไม่ต่อต้านกิเลส <c oughs> ให้สักว่ารู้ว่าเห็นมันโลบขึ้นมาเห็นเออจิตมันโลบได้เราเป็นคนดูจิตมันโกรธได้เราเป็นคนดูนะเกิด <c oughs> อย่างนั้นแลสบายค่ะ <c oughs> แล้วก็ยอมเกิดความรู้สึก Ờ, เวทนาในในร่างกายที่แบบเหมือนกับว่าฟุงฟ้งๆแล้วมันก็รู้ขึ้นมาแบบมันจะรู้มันก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ฟุง้ง อ, อะไรเวลารู้มันรู้แว บ, บเดียวนั่นแหละค่ะเวลารู้แว บ, บเดียวแล้นนะกิเลสขาดตรงนั้นเลยน ะ, ะแต่เดี๋ยวมาใหม่แล้วความทุรนทุรายที่เกิดจากที่ร่างกายมันเป็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะก็เกิดจากกายสิมีก า, กายก็มีเวทนาทางกายเวทนาทางกายนะภาวนาเราไม่หายหรอก แต่เวทนาทางใจแลมันจะหายไปบางส่วนความทุกข์ทางใจจะหายไปมันจะมีความสุขมีความเป็นอุเบกขาทางใจคแต่จิตไม่เข้าไปเสพความสุขนะความสุขส่วนความสุขจิตส่วนจิตไม่เข้าไปเกาะกันหรอกอฝึกไปแล้วเป็นอิสระค่ะเคยที่ว่าความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่นานๆอย่างนี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นตรึงไว้ ตรึงความรู้สึกไว้ถ้าชํานาญนะตรึงไว้ได้ทั้งวันเลยไม่ดีให้มันเกิดแล้วก็ดับไปการที่เรามีฝึกให้เกิดความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะรู้สึกตัวแต่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อจะตัดชีวิตให้ขาดเป็นช่วงๆชีวิตของคนที่ไม่รู้สึกตัวเนี่มีอย่างเดียวคือหลงหลงหลงหลงหลงหลนะพอมาฝึกจะมีความรู้สึกตัวขึ้นมามันหลงมาช่วงแค่นี้เราก็รู้สึกแล้วก็หลงแล้วก็รู้สึกเนยสลับกัน ช่วงเราจะเริ่มเห็นเลยว่าจิตที่หลงก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกก็ไม่เที่ยง <S <S ฝึกเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามไม่ใช่ฝึกเอารูนะรร้นะรู<ม>้นั้เกิดขึ้นมาเพื่อจะตัดหลงให้ขาดให้ดูเท่านั้นเองแล้วเสร็จแล้วรู้ก็ดับเนั้นทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่ใช่ฝึกจนกระทั้งรู้ยีิบสี่ชั่วโมงกลับรัชกาลหลวงพ่อค่ะ คือปฏิบัติในรูปแบบมาสักพักใหญ่แล้วะค่ะแต่มันก็ยังมีเพ่งบ้างไม่เพ่งบ้างแล้วไม่รู้ว่า ต, ต้องเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าคะอย่าโลภเนาะอย่าหวังผลพอนาไปสบายๆทําทุกวันหรือว่าเราปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติในรูปแบบนะั้นทำไปแ ล, ล้วเวลาที่เหือใ น, นในชีวิตประจำวันเนี่ยปล่อยให้จิตมันทํางานอิสระนะอย่าไปตรึงให้นิ่ง คืออย่างนี้ดูดูความตรึงที่ดูความแน่นที่ที่มันเพิ่มขึ้นเบาลงอะไรอย่างนี้ได<ะ>้ใช่ไหมคนั่นก็แสดงไใจรักแน่นขึ้นมาเพราะเราโลภเราอยากให้ดีนะเราเข้าไปจับไว้ไปบังคับภาวนาภาวนาสบายนะจิตที่เป็นกุศลจริงๆเนี่ยเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควนแก่การงาน ถ้าจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อเนี่ยเป็นอคูศุลจิตแล้วทําไมเราภาวนาดูแท้ๆกลายเป็นอคูสุลจิตก็เป็นจิตโลภเป็นจิตโลภนะอยากรู้ตลอดเวลาอยากดีตลอดเวลาอะไรเนี่ยก็ไปบังคับมันเราบังคับไม่ได้อย่างใจก็กลายเป็นจิตโกรธจิตโลภไม่สําเร็จก็กลายเป็นจิตโกรธเราอย่าไปบังคับมันดูมันทํางานเหมือนดูคนอื่น คือคือลึกๆแล้วมันโลภที่อยากจะได้เลยว่ใช่ใช่มันอยากได้เร็วๆอะ่ะอยากบรรู้เร็วๆอยากไหมคงคงลึกๆคงอยากแต่จริงๆแล้วเหมือนเหมือนบอกว่าโอเคคือทำไปทั้งชีวิตแต่จริงๆลึกๆมันก็คงอมันแกล้งมันแกล้งบอกจริงๆมันอยากขอบพระคุณค่ะข้ากาบนมัสการนะคะ ปกติคือที่ทําอยู่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอติดสุขมากอนะคะแล้วทีนี้พอช่วงหลังๆมาบางวันเนี่ยร่างกายมันอ่อนล้าแต่หนูก็ไปฝืนปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วหนูก็นั่งสระงกและจิตมันก็เตลิดไปพอดึงกลับมาร่างกายก็มีแรงแต่ว่าจะฝืนทําต่อมันทําไม่ได้นะคะก็เลยจะขอคําแนะนํานะคะการภาวนานีอย่าไปเคร่งเครียดนักนะแต่ก็ไม่ย่อหย่อนที่ทําอยู่ก็พอดีพอดีแล้วล่ะค่ะไปทําอีก อย่างเราฝืนร่างกายเราได้ไหมคะร่างกายเหน็ดเหนื่อยนะะากา็เห็นร่างกายมันเหนื่อยเราเป็นแค่คนดูการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ทําให้เหน็ดเหนื่อยนะการปฏิบัติธรรมถ้ายัางทําสมถะนะทําให้ได้พักผ่อนนะทําให้สบายหรือการเจริญปัญญาเนี่ยถ้าเราเจริญปัญญาจริงไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้ไปควบคุมมันนะทําไปมีความสุขไปนะแต่ถ้าทำแล้วเครียดทําแล้วเหนื่อยเนี่ยแสดงว่าจงใจมากไปต้อทําให้สบาย หนูสังเกตไหมหนูพยาบาลว่ากายกับจิตเป็นโคล่านกันดูออกใช่ไหมดูออกค่ะนั่นแหละขันมันเริ่มแยกแล้วนะ่ะต่อไปนี้เห็นไหมไอ้ตัวนี้พยักหน้าเราเป็นแค่คนดูไอ้ตัวนี้เหนื่อยเราเป็นแค่คนดูดูสบายๆไม่เห็นจะเหนื่อยตรงไหนเลยร่างกายมันเหนื่อยนะจิตมันไม่ได้เหนื่อยหรอกจิตมันเป็นคนดูแต่ถ้าร่างกายอิดโรยมากต้องพักผ่อนนะไม่ใช่ไม่พักเลย ครูบาจารย์บางองค์ท่านอดนอนผ่อนอาหารอะไรเงี้ยท่านดูตัวท่านเป็นหลักบางองค์ท่านอดนอนแล้วก็สติท่านดีบางองค์ท่านอดข้าวแล้วสติท่านดีแต่ถ้าเราอดนอนแล้วหมดเรียวหมดแรงดูอะไรไม่รู้เรื่องไม่ควรอดนะสสกราบสมภสการหลวงพ่อครับอยู่ไหนหนาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทางซีดีมาตั้งแต่ปีสี่เก้าห้าศูนเลิกเพลงหรือยังก็มีมีบ้างครับ ดีถ้าเล่นเพ่งได้ก็ดีแล้วก็มีปฏิบัติตามรูปแบบบ้างแล้วก็การทำในรูปแบบเราไม่ทิ้งนะรเราไม่ทิ้งแต่การทำในรูปแบบเนี่ยไม่ใช่การนั่งเพ่งเงาจนจิตเครียดหรือจิตไปติดล็อกนิ่ ง, งๆเฉยๆอยู่กานะทำในรูปแบบนถ้าช่วงไหนจิตใจฟุ้งซ่านเหน็ดเหนื่อยกนะ็ทำไปให้ได้ความสุขความสงบพักผ่อนนะพุโทโธไปหายใจไปมีความสุขจิตใจพักผ่อนช่วงไหนมีกาลังแล้วก็หันดูสภาวะไป ทำในรูปแบบนี่แหละก็หัดดูสภาวะไปเช่นหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันนะหัดดูสภาวะในรูปแบบไม่จริงนะทาไปแต่อย่าไปติดเพ่งอาจารย์ตอบจนผมตรงกับที่ว่าจะถามเลยนั่งถามมาตั้งนานแล้วเนี่ยขอบพระคุณครับอย่างนี้ถึงถูกนะจิตอย่างนี้ถึงได้ค่อยๆรู้สึกไปสบายๆ น ก, การเเคลงคียดนมัส ก, การครับดูไหนเอ่ยนมัส ก, การครับจิตกับใจต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันแหละจิตมโนมโนก็ใจวิญญาณสามคำเนี้ยจิตมโนวิญญาณนี่สามคำคนไทยแปลมโนวัดใจเหมือนกันแล้วเมื่อไรควรจะดูที่ลมหายใจเมื่อใดควรจะดูที่จิตจิตที่คิดไปอย่างนี้ครับ ถ้าหากดูจิตที่คิดไปได้ก็ดูจิตที่คิดไปถ้าดูไม่รู้เรื่องก็มารู้ลมหายใจจิตจิตเหมือนเจ้าของบ้านลมหายใจเหมือนบ้านที่จิตอาศัยอยู่เราต้องการตรวจเจ้าของบ้านแต่ถ้าเราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านแล้วมาเฝ้ารู้อยู่ที่ลมหายใจพระจิตสงบขึ้นมาเดยกก็เห็นจิตต่อเพราะฉนั้นเมื่อไรดูจิตได้ดูจิตไปเมื่อไรดูจิตไม่ได้นะทาความสงบไปมารู้ลมหายใจ ในมร ก, การหลวงพ่อค่ะเรียนถามปัญหาว่ายกมายอย่างนี้เรียนถามปัญหานะคะว่าอาทําอย่างไรถึงจะมีสติให้อให้รู้เท่าทันว่าเราจะให้ให้รู้ให้รู้เท่าทันคว า, ามกโกรธ น, นะคะอืว่าสติก็ไม่เป็นอนัตตาสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ เราก็ต้องดูว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติแล้วทําเหตุของสติสติถึงจะเกิดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าเหตุไม่มีมันก็หายไปกระทั่งอย่างไฟไหม้เวลาไฟไหม้นะเหตุของไฟมีหลายอย่างมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนใช่ไหมมีอุณหภูมิสูงเวลาเขาจะดับไฟเขาไม่ได้ดับไฟแต่เขาดับเหตุของไฟเช่นเอาน้ําไปลาดลดอุณหภูมิลงใช่ไหม ออาโฟมไปฉีดไม่มีออกซิเจนไฟก็ดับหรือรือบ้านทิ้งสะบ้างไฟลามไม่ได้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นกต่ท้าสติก็เกิดจากเหตุอากุศนก็เกิดจากเหตุเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเรียกว่าทีราสัญญาขอถุงสระอีรอเรือคนไทยใช้ควาว่าสเถียนสถียนสถิระทีราสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติหมายถึงว่า ถ้าเราจําสภาวะได้แม่นพอสภาวะนั้นเกิดสติจ ะ, ะระลึกขึ้นได้เองว่าตอนนี้เกิดสภาวะอันนี้แล้วงั้นถ้าหากโยมเป็นคนขี้โมโหเวลาความโกรธเกิดขึ้นเคยรู้เคยสนใจในะไปสนใจตัวเองอ้อโกรธแล้วนะแตเดี๋ยวโกรธอีกแล้วรู้อีกโกรธอีกแล้วนะการที่เราจะได้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกจ น, จนจิตมันจําสภาวะของความโกรธได้แม่นต่อไปพอความโกรธเกิดขึ้นนะสติจ ะ, ะระลึกได้เองโดยเราไม่ต้องเจตนาระลึกเลย ดังที่รัสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติแล้วเราก็ฝึกทําเหตุของสติคือหัดรู้สภาวะบ่อยๆคนไหนขี้โกรธ ด, ดูความโกรธบ่อยๆจิตเดียดเด๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธนะต่อไปพอจิตโกรธเนี่ยไม่ได้เจตนาจะรู้เลยไม่เจตนาเลยรู้เองเลยคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดก็ดูจิตโลภไปจนจิตมันจําสภาวะของความโลภได้แม่นเลยเวลาความโลภเกิดมันเป็นอย่างเนี้ย พอความลบเกิดนะสติจะเกิดเองเลยเพราะฉะนั้นโยมอย่าไปบังคับว่าสติต้องเกิดนะถ้าโยมคิดโมโหโยมดูความรู้สึกโกรธไปเรื่อยถ้ามันโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ไปเรื่อยสติจะดีขึ้นเรื่อยๆการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ปฏิบัติมาแล้วก็ดูดูกายดูจิตของตัวเองมารู้สึกว่ามันรู้รู้สึกตัวได้มากขึ้นเลยนะคะถูกแล้วละ่ะแล้วก็เห็นกายกับจิตนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่เราอ่ะค่ะ การที่เห็นกายเห็นจิตไม่ใช่เราเราต้องระวังอันหนึ่งจิตต้องตั้งมั่นนะเนี๋ยเห็นกายไม่ใช่เราแต่จิตเคลื่อนเข้าไปที่กายก็ไม่ได้นะจิตเคลื่อนไปที่จิตก็ไม่ได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูตอนนี้จิตตั้งมั่นพอหรือยังอย่างเจ้าค่ะนะจิตออกนอกไหมออกเจ้าค่ะเออให้เรารู้ทันว่าจิตออกนอกถ้ามันออกไปแล้วไม่ยอมเข้ามาเลยช่วยมันนิดหน่อยหายใจนะเอาความรู้สึกจับไว้ที่ลมหายใจเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาในข้างใน พอเข้ามานะหายใจเข้ามาทีเดียวพอนะแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาตินะแต่ถ้าหายใจเข้ามาแล้วก็หายใจซ้ำอยู่นะดึงเข้ามาดึงเข้ามาจนแน่นอย่าให้แน่นนะถ้าแน่นนั้นตึงเกินไปอย่าเพ่งนะขอบพระคุณจังหวะนพัสการหลวงพ่อค่ะคือหนู บางทีเนี้ยเวลาจิตเราออกไปข้างนอกเราก็ไม่รู้ว่ามันออกไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกว่ามันรู้สึกอะไรค่ะดูมันว่างๆลอยๆแต่แต่พอช่วงขณะที่รู้ตัวเนี้ยเราก็จะพยายามดึงมาอยู่กับลมหายใจไม่ทราบว่าแบบนี้ได้ไหมถูกแล้วระหว่างจิตล่องลอยนะแต่จิตรู้ลมหายใจให้จิตรู้ลมหายใจไว้ดีกว่าจิตล่องลอยเนี้ยไม่ดีเลยหรือบางทีเราภาวนานะจิตโล่งจิตว่างนะแล้วก็ไปว่างอยู่ข้างนอกเนี่ยไปติดโล่งติดว่างไม่ดีเลย ครูบาอาจารย์สอนบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยแล้วจิตไปติดเฉยไม่เดินปัญญางั้นจิตไปโล่งว่างอยู่รู้ตัวใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกหายใจหายใจแล้วทำความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นแค่นั้นพอแล้วอย่าให้เยอะนี่ไม่ได้นะอย่าเครียดไปเอาทีเดียวสองทีพอนั่นแหละทีแรกมันจะรู้สึกตึงนิดหนึ่งนะก็คลายออก พระอาจารย์เจ้าคะคืออยู่ไหนอยู่ไหนพระอาจารย์คือแบบว่าแบบมีพยาบาทะนะคะทีนี้ก็ต้องคอยบอกเขาอยู่เรื่อยเลยนะคะรู้ทันเวลาจิตมันคิดพยาบาทวิตกพยาบาทเนี่ยเกิดได้เพราะเพราะพยาบาทวิตกการตรึกในอารมณ์ที่ไม่ถูกปลุกใจนั้นจิตนี้ไปคิดเรื่องไม่ดีของคนอื่นรีบรู้ไวๆครับสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุ พยาบาทก็ต้องมีพยาบาทวิตกครั้งหนึ่งมีคนไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะไหมท่านบอกว่าเราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามาวิตกเราไม่ตรึกในกามถ้าไม่อยากมีพยาบาทก็อย่ามีพยาบาทวิตกสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเลยทําได้ไหม วิธีการก็คือพอคิดในทางไม่ดีขึ้นมานะกับคนอื่นนะรีบรู้ทันหรือโมโหตัวเองก็ได้นะเช่นร่างกายเจ็บป่วยหรือเดินสะดุดโต๊ ะ, ะโมโหตัวเองมีพยาบาทวิตกคิดอยากตัดขาทิ้งเลยซุ่มซ่ามนักอะไรเงี้ย น, นะจิตมันคิดไปในทางยั่วโทสะให้รู้ทันสังเกตไหมอย่างเวลาเราขับรถนะอย่างคนกรุงเทพจะรู้สึกเลยขับแล้วแล้วคนปาดหน้าตอนที่คนปาดหน้ายัางไม่โกรธนะต้องคิดนิดนึงก่อนถึงจะโกรธ ต้องมีพยาบาทวิตกนะพยาบาทหรือโทสะเมืจอขึ้นมาต้องดูที่ต้นทางแต่ถ้าคิดไปในทางพยาบาทแล้วยังไงมันก็ต้องเกิดห้ามมันไม่ได้หมดหรื อ, อยังสิบสองคนมีใครนับไว้บ้างเนี่ยนวส ก, การหลวงพ่อครับเวลาเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะหายตกใจไหมครับเช่นเสียงฟ้าผ่า หรเสียงอะไรก็ตามที่ยินเสียงดังๆขึ้นมาหรือว่าเกิดสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามเนี่ยเวลาก่อนสมมติว่าเราปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเนี่ยสามารถที่จะระ ง, งับความตกใจได้หรือไม่ครับมันไม่ระ ง, งับความตกใจนะแต่ถ้าความตกใจเกิดมันเห็นความตกใจเกิดขึ้นจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาลูกศิษย์หลวงพ่อจํานวนมากเลยเป็นพวกใจร้อนขับรถเร็วมากเลยรถคว่ำรถหงายนี่เรื่องปกติของลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทเลย แต่ม่นค่อยมีใครเป็นอะไรนะเพราะเกิดรูบัติเหตุเนี่ยจิตมันจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูมันไม่ตกใจหรอกแนละ้วนะนะมันก็จะรู้จะหลบจะหลีกจะอะไรต่ออะไรนั่นฝึกไปนะวัศ ก, การครับแต่อาจารย์มหาบัวเคยเล่านะบอกว่าคนชอบวาดภาพพระรหันไม่เกินจริงท่านบอกว่าอย่างท่านเดินไปเห็นเชือกนะท่านโดด น, นะถามว่าท่านกลัวหรือเปล่าเปล่าแต่ท่านก็ไม่โง่พอถ้าเกิดมันเป็นงูจริงๆรินะ จะว่าเหตุท่า น, นกระโดดยงแล้วจะบอกว่าท่านกลัวไม่ใช่น ะ, ะหมดแล้วหรือเหะสมควรแก่เวลา